พระบัญญัติสองร้อยเก้าสิบก็ภิกษุใดนั่งในทิรัพกรรมทุกคามสองต่อสองต้องอบัตปาจิตตีเรื่องพระอุปนันทะสกยบุตรจบ